BOOK 2 66 6 <60 3. S 2> สิสิบับพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง possessive pronoun หนึ่ผมของผมยัย I mean มิ t ผมหากุญแจของผมไม่พบฉันหาไม่รถของฉัหาไม่พบตั๋วรถของฉันฉันหาไม่พบตเ๋วรถไฟของฉันคุณของคุณ dit. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Har du fornet billet? เขาของเขา h a n Hans. <hence>? คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Vet o u var hans noller คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน t v r hans billet er? เธอของเธอเงินของเธอหายและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยเราของเรา Vi, คุณปู่คุณตาของเราไม่สบายวอสมอฟ้าฟ้าฟ้าไอ้ซคุณยา่าคุณยายของเราสุขภาพดีวอสมอม้อฟามัวร์รัสคุณหนูของหนูอ้ยรสเด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนบอนวอเอร์เยสฟ้าเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนบอนวอเอร์เยสมัว